ในทางพระพุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอินทรีบริสุทธิ์หรืออินทรีผ่องใสคำนี้โดยปกติเป็นคำใช้สำหรับพวกที่ได้อภิญญาหมายความว่าถ้าหากผู้ใดมีอินทรีบริสุทธิ์ได้มาตรฐานแล้วจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในทางประสาทสัมผัสพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาเช่นสามารถจาเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเหตุการณ์ในชาติก่อน และสามารถจะมีหูทิพตตาทิพตอ่านใจคนอื่นได้สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างว่องไวและแม่นยำซึ่งการพยากรณ์ที่ว่านี้สามารถทําได้อย่างฉับพลันหรือสามารถที่จะหาคําตอบในทางวิชาการต่างๆได้อย่างมหัศจรรย์คือต้องการจะรู้อะไรไม่ว่าวิชาแขนงไหนถ้าหากมีสื่อในการแปล คือได้ศึกษาวิชานั้นๆมาบ้างพอสมควรก็สามารถที่จะคิดสร้างทฤษฎีหรือหาคำอธิบายหากฎเกณฑ์หรือแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวิชานั้นๆได้อย่างมากมายเหนือมนุษย์อื่นๆเป็ น, นั้นมากซึ่งความสามารถทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้ขึ้นอยู่กับคำพูดเพียงประโยคเดียวคืออินทรีย์บริสุทธิ์ คำว่าอินทรีในทางพระพุทธศาสนามีความหมายหลายอย่างเช่นระบบประสาททั้งหมดก็เรียกว่าอินทรีเช่นคำว่าจากักขุนสี่อินทรีคือตาโสตินทรีอินทรีคือหูอย่างนี้เป็นต้นและหมายถึงอินทรีห้าคือศรัทธาวิริยาสติสมาธิและปัญญาซึ่งเรียกว่า สัจฉินสี์อินสีคือสัทธาวิริยินรีอินสีคือวิริยะอย่างนี้เป็นต้นและยังมีความหมายอื่นอีกหลายอย่างแต่เฉพาะในที่นี้คือในกรณีของผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงคือได้อภิญญานั้นหมายความว่าระบบประสาทบริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่จะทำให้การทำงานของประสาทเกิดความบกพร่อง และนอกจากนั้นเนื่องจากระบบประสาทโดยเฉพาะคือสมองเป็นกรร ม, มชรูปเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากของกรรมโครงสร้างของสมองโดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอตามสภาพของจิตใจเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นมีศรัทธาผ่องใสวิริยะเข้มแข็งสติมั่นคง สมาธิลึกซึ้งปัญญาแหลมคมในเมื่อคุณสมบัติของจิตใจค่อยๆสูงและพระนีตดีขึ้นเพียงไรก็ย่อมหมายถึงโครงสร้างหรือระบบของเซลล์ในสมองย่อมมีวิวัฒนาการไปตามสภาพของจิตใจด้วยและด้วยเหตุนี้เองคนที่ฝึกสมาธิได้ขั้นสูงจึงมีประสาทเป็นพิเศษเช่นสามารถที่จะมีตาทิพหูทิพ รับสัมผัสความคิดของคนอื่นได้ด้วยทางกระแสจิตคืออ่านความคิดของคนอื่นได้และสามารถที่จะมีความจำอย่างวิเศษเช่นระลึกเหตุการณ์คนหลังได้ทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วแม้กระทั่งเหตุการณ์ในชาติก่อนๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งสิน้นไม่ใช่เรื่องผิดวิสัยธรรมชาติหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คนส่วนมากที่ไม่ยอมเชื่อในเรื่องเหล่านี้ กเพราะไม่เคยศึกษาในเรื่องเหล่านี้มาอย่างละเอียดไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาบ้างแต่อย่างไรก็ดีจากหลักวิชาที่อ้างมานี้ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าในทางพระพุทธศาสนามีวิธีฝึกความจำได้อย่างวิเศษสูงสุดสามารถที่จะพูดได้ว่าไม่มีตำราเล่มใดในโลกหรือสถาบัานที่ไหนที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฝึกความจำได้ดีเท่ากับในทางพระพุทธศาสนา หมายเหตุผู้อ่านสำหรับการอ่านใจคนได้นั้นคนที่ฝึกเจริญสติยังถูกทางและฝึกฝนอย่างมากพอนั้นส่วนใหญ่เท่าที่เจอจะสามารถอ่านใจคนอื่นได้นะครับและก็เจอมาหลายท่านซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเกิดสติตัวจริงขึ้นมาอาจจะมีได้ทั้งการสัมผัสถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากจิตผ่านคาพูดการเขียนหรือแม้แต่ความเนื้อคิดว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล หรือหลายครั้งที่ได้เจอกับหลายท่านก็สามารถรู้ได้ว่าขณะที่คุยกันนั้นหรือขณะที่พิมพ์ข้อความคุยกันนั้นในใจนึกถึงเรื่องอะไรซึ่งคนที่มีความสามารถแบบนี้เป็นไปได้ยากมากนะครับที่คนไม่ได้ใฝ่ทางธรรมจะได้พบเจอกันได้ง่ายและเท่าที่เจอมาคนที่มีสัมพันธ์พิเศษหรือมีความสามารถพิเศษแบบนี้จริงมักจะไม่เปิดเผยตัวไม่ค่อยเข้าไปคลุกคลีกับคนที่ไม่ปฏิบัติธรรม ซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้สัมผัสได้เจอกับท่านเหล่านี้มาแล้วแต่อาจจะไม่ทันสังเกตว่าเขาดักความคิดเราทันบางครั้งเรานึกอะไรในใจเขาก็อาจตอบออกมาพร้อมกับคําสนทนาที่กําลังคุยกันอยู่ก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นข้อสังเกตว่าคนที่อ้างว่ามียานสัมผัสพิเศษต่างๆสามารถเห็นผีเห็นอนาคตเห็นอดีตได้นั้นเขาจะมีความสามารถพิเศษนั้นจริงหรือไม่หลายคนที่เจอนะครับ แค่คนตรงหน้ากำลังคิดอะไรก็ยังไม่สามารถรู้ได้หรือสัมผัสพลังงานที่แผ่ออกมาจากจิตว่าเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเป็นพลังงานที่พอจะให้ตีความได้ว่าขณะนั้นจิตของเขาอยู่ในลักษณะดใดซึ่งถ้าหากความสามารถแบบนี้ยังไม่เกิดขึ้นก็ยากนะครับที่จะไปรู้เห็นอดีตเห็นอนาคตหรือไปรู้เห็นอะไรเหนือสัมผัสได้จริงและพลังงานที่แผ่ออกมาจากจิตของแต่ละคนนั้นถ้าหากเราเหมั่นสังเกตกันจริง ก็จะเริ่มสัมผัสได้ในเบื้องต้นเช่นเมือ่อเป็นน่งใกล้ใครแล้วอาจรู้สึกหงุดหงิดฟุ้งซ่านหรือไม่สบายใจขึ้นมากลับกันหากเป็นั่งใกล้กับคนบางคนก็รู้สึกใจเป็นสุขเบิกบานผ่องใสขึ้นมาซึ่งนี้เป็นเรื่องของพลังงานพื้นฐานที่แผ่ออกมาจากจิตของแต่ละคนและน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เคยสัมผัสกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยการอ่านจิตของผู้อื่นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกทางจํานวนมาก โดยเฉพาะในสายเจริญสตินั้นมันจะทําได้เป็นปกตินะครับแต่ก็ต้องระวังเพราะหากว่าจิตของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์มากพอการรู้เห็นนั้นก็อาจจะถูกปรุงแต่งให้ผิดเพี้ยนไปจากความจริงได้เช่นเมื่อบางครั้งวิบากเก่าของเขาส่งให้จิตคิดไปแบบหนึ่งโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกไปแบบนั้นและยังมีกรณีอื่นๆอีกมากมายที่ครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนไว้นะครับว่าคนที่มีความสามารถพิเศษ อ่านใจคนอื่นได้นั้นหากยังไม่บรรลุธรรมก็อย่าเชื่อความสามารถพิเศษนั้นจนเกินไปเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ